กันพระองค์นี่เป็นเป็นพระราชาที่เรียกว่าบ้านเมืองก็ปกครองโดยโดยทําโดยประชาชนนี่ไม่อดอยากเลยและขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นได้ทั้งรูปประชานนะทั้งโดยเกษินและก็โดยพรหมมิหารเนี่ยนะเรียกว่าอยู่โดยพรหมวิหารเป็นต้นนี่เล่าถึงเกล็ดนิดเล็กน้อยว่าพระองค์ทํากรรมอะไรมาเนี่ยนะบุญอะไรเนอทําทให้พระองค์ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในหน้า521เนี่ยนะ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 มาในมงคลหรืออมงอวะมงคลย่อมโกรธแก่พระเถระผู้ไม่มาก็แปลว่านิมนพระไปทําบุญถ้าพระมาก็ชอบพระไม่มาก็โกรธเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแม้ท่านไปสู่ที่นิมนอื่นแล้วก็กลับมาสู่เรือนของกระผมแล้วก็รับพัดเป็นนิดคือใครนิมนไปไหนก็ไปเถอะอย่าไปขัดเขาเลยอย่าไปห้ามเขาเลยเพราะบางทีเขาก็โกรธอันนั้นก็เป็นบาปแก่เขาแต่ข้าไม่มีใครนิมนยังไงก็นิมนมาฉนันที่บ้านผมเป็นปกติก็แล้วกัน นนแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามว่าเออใคไม่ต้องไปใครไม่ต้องมาทําบุญไม่ต้องอะไรไม่ก็อนุญาตได้หมดอันนันแล้วแต่พระคุณเจ้าว่า้นเถอดแต่ถ้าไม่มีใครนีมนไปฉันที่ไหนก็มาฉันที่เรือนของกระผมเป็นนิสประโพธิสัตว์ก็ปูเสือลำแพนในศาลาตั้งเตียงต่างวางพนักพิงที่เช็ดเท้ากุดสะทําที่จงกรมเกลีย่ยทรายเห็นสัตว์มาทําลายฝาก็ทําดินเหนียวให้ตกก็ล้อมรั้วหนามเห็นสัตว์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 ไม่แค่หูหมุนหูเนี่ยนะถวายบาทสลกบาทผ้ากรองน้ําแล้วก็ที่กรองน้ําหรือสิ่งใดที่บรรปะชิตควรบริโภคอย่างอื่นแดพ่พระเทระขาบอกว่าบริขารที่พระโพธิสัตว์ไม่ถวายแก่พระเทระไม่มีขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์นั้นก็รักษาศีล ร, รักษาอุโบสถบํารุงพระเทระตลอดชีวิตส่วนพระเทระอยู่ในอาวาสนั้นแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็นิพพานฝ่ายพระโพธิสัตว์นั้นทําบุญตลอดอายุ ข, ขัยบังเกิดใน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 เช่นเพราะมาเมล็ดพันธุ์อะไรมเมล็พันธุ์พวกเช่นมะม่วงเนี่ยนะมะม่วงเนี่ยปลูกแค่ห้าร้อยเมตรเนี่ยก็โอ้ยทานไปเถอะเนี่ยนะเอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะเพราะฉันใดก็ดีบุญใดเหล่าใดที่ทำไปแล้วในผู้ที่ส่งคุณบุญเหล่านั้นก็ให้วิบากหาประมาณไม่ได้ตอนหลังท่านก็ทุกอย่างสาเร็จสมความปรารถนามหมดแล้วท่านก็กลายเป็นว่ามาเจริญมาเจริญอะไร มาเจริญฌานทั้งหลายเนี่ยนะพอมาเจริญฌานทั้งหลายท่านก็อยู่ด้วยฌานท่านบอกว่าพระองค์นี้มีนคร 84% ดหมี่พันแห่งมีกุสาวดีราชธานีเป็นประมุกมีปราสาท 84% ดหมพันปราสาทมีธรรมปราสาทเป็นประมุกมีช้าง8มีเรือนยอดแปดหมสพันหลังมีบอลัง8ปดหมสพันที่มีช้าง 84% ดหมี่พันเชือกมีม้าแปดหมสพันตัวมีรถ8ปดหมพันคัน มีแก้วมณีเนี่ยนะแปดหมื่นสี่พันดวงมีสตรีแปดหมื่นสี่พันนางมีครหาบาดีอยู่แปดหมืนสี่พันคนแล้วก็มีกษัตริย์ผู้สวามิภักคอยบำรุ 8, 000, งอีกแปดหมืสี่พันองค์มีแม่คโคโนมอยู่แปดห0ื่นสี่พันตัวมีผ้าอยู่แปดห0ื่นสี่พันโกรดพับคำว่าโกรดพับก็คือส2บสองผืนเรียกว่าหนึ่งโกรดพับอย่าง้นงนะมีพระกรยาหารเต็มด้วยภาชนะแปด0มืสี่พันสำรับแต่ถึงอย่างว่านะ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 คือที่ไหนก็ที่ที่พระพุทธเจ้าปรินิพานก็เอาเตียงเนี่ยไปตั้งตรงกลางตรงนั้นแหละดํารงด้วยสติสัมปชัญญะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะผนางสุพัธถามมองเห็นแปลว่าอินทรีย์ของพระเจ้าสุทัศนะนั้นบริสุทธิ์พองไสผิวพันธ์เนี่ยขาวผ่องเพราะฉะนั้นขอพระเจ้ามหาสุทัศนะอย่าได้สวรรคตเลยเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเนี่ยมีนคร8ปดหมื่นสี่พันนครขอพระองค์งห่วงใยและให้มีชีวิตยาวอยู่ต่อไปเถอะ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 เทวีเธออย่าได้ทักทายเราด้วยของน่ารักน่าใคร่น่าพอใจมานานแล้วเธอนี่พูดอย่างนี้มาเยอะแล้วแต่ในเวลาภายหลังเธอจะอย่าทักเราแบบนั้นเธออย่าทักเราด้วยของที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจแบบนี้เมื่อก่อนสิ่งเหล่านี้น่าพอใจแต่ตอนนี้ไม่น่าพอใจแล้วเพราะฉะนั้นให้เธอทักว่า ความเป็นต่างๆความละเว้นจากของรักความเป็นอย่างอื่นจากของรักคือเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลาดพาจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเลยให้ไปบอกความจริงอันนี้เลยพระองังไงก็ต้องจากนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ต้องจากขอเดชะพระองค์อย่ามีความห่วงใหยสวรรคตครเลยอย่าตายแบบคนห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่มีความห่วงใ่เป็นทุกข์และความตายของผู้ที่มีความห่วงใย ถูกติเตียนงงนติเตียนยังไงะนะความตายของผู้ที่ถูกถูกความห่วงใ ย, ยห่วงห่วงห่ ว, วงแล้วก็ตายพร้อมกับห่วงเนี่ย น, นะถามว่าบ่วงอันนั้นที่ห่วงใยตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรในหน้า525ยบ้าบอกว่าขรหิตตาแปล ว, ว่าสาเปกขกาลกกิริยา การที่ตายแบบคนห่วงใหญ่อันพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระสาวกและบรรตชิตเหล่าอื่นผู้เป็นหูสูตรติเตียนแล้วทําไมจึงติเตียนก็เพราะตายแบบคนมีห่วงใหญ่เป็นเหตุเกิดเป็นผีเฝ้าบ้านเหมือนกันเอาเป็นยักษ์ก็คือผีเฝ้าบ้านเป็นเจ้าที่เ จ, ทเจ้าทางพระภูมิเจ้าที่เป็นต้นเลยนะสองเป็นอะไรเป็นสุนัขอยู่แถวนั้นเลยจะไปไหนเ ห, ห่าฮอนกันเพื่อระงมล่ะเกิดเป็นแพะบ้างเป็นโคบ้างเป็นกระบือบ้างเป็นหนูบ้างเป็นไก่บ้างเป็นนกบ้าง ในเรือนของตนเท่านั้นแหละห่วงยายบ้านจะตายเกิดที่ไหนก็บริเวณบ้านนั่นแหละวันก่อนไปเยี่ยมไปทุระที่รีสอร์ทของโยมคนหนึ่ ง, งนะบอกไม่ค่อยได้มาเลยตอนนี้ก็บอ ก, บอกผมไม่ค่อยห่วงมันแล้วเดี๋ย ว, วกลัวเกิดเป็นกบเป็นเขียดอยู่แถวนี้ว่างั้นกลัวจะเกิดเป็นกบเป็นเขียดก็เลยโอ๊ยไม่ค่อยไปสนใจการงานเท่าไหร่นะจริง ก, ก, ก็ก็มีคนที่เขาดูแลเป็นอยู่แล้วนะก็เลยไม่ต้องห่วงแล้ววนะ่างั้น ก็เลยกลัวจะไปเป็นกบเป็นเขียดเฝ้าอยู่แถวนั้นเพราะนั้นก็ลงเรืองระวังเน้อนะห่วงแล้วก็เน่สวนเนี่ย น, น, นะนั่งสลบนั่งรถสลังดอกหมดเนละทีนี้เพผมจะต้องบอกว่าพระองค์จงตัดความอาลัยในเมืองทั้งแปดมื่นสี่เมือสี่พันเมืองเนี่ยนะให้ตัดอาลัยในปราสาทแปดหม่นสี่พันหลังให้ตัดอาลัยในเรือนยอดแปดหมสี่พันหลังให้ตัดอาลัยในบัลลังก์ แปดหมืนสี่พันที่เนี่ยนะก็ตัดอะไรในช้างแปดหมื่นสี่พันเชือกตัดอะไรในม้าแปดหมื่นสี่พันตัวให้ตัดอะไรในรถแปดหมื่นสี่พันคันให้ตัดอะไรในแก้วมณีแปดหมื่นสี่พันดวงให้ตัดอะไรในสตรีแปดหมื่นสี่พันตัดอะไรในเครหาบดีแปดหมืนสี่พันคนในกษัตริย์ผู้จงรักภักดีอีก 8ปดหมื่นสี่ันองเงี้ยนะในโคโนมอีกแปดหมื่นสี่พันตัวในผ้าแปดหมื่นสี่พันโกรธพับพระกยาหาิแปดหมื0 0สี่พันที่สำรับจงตัดอะไรเถอเนี่ยนะพนางสุภาาัถาความที่นางเนี่ยรกักพระเจ้ามหาสุทัศน์มากร้องให้แล้วก็พูดตามไปอย่างนั้นแหละใจจริงก็ไม่ยอมนะแต่ก็ยอมที่จะพูดตาม น, นะซึ่ง ในที่สุดพระเจ้าสุทัศนาก็สวรรคตในหน้า498สวรรคตและก็เกิดในสุขติพรหมโลกเนี่ยนะพระเจ้าสุทัศนบริอยู่ในเมืองอกุสาวดีราชธานีเป็นราชกุมารเนี่ยนะเป็นชายหนุ่มรูปงามอยู่ 84,000 ปีดํารงอุปราชเนี่ยนะเป็นอุปราชเนี่ยหมายคือว่ารองกษัตริย์รองพระราชาอยู่ 84,000 ปีครองราชสมบัติอยู่ 84,000 ปีประพฤติพรหมจันทร์ ได้ฌานสมาบัติอยู่ในธรรมปราศาสตรอีก8 000, 000, 000, ปดหม่นสีันปีพระเจ้ามหาสุทัศนาเจริญพรหมวิหารสี่สวรรคตเพราะกายแตกก็เข้าถึงพรหมโลกอานอนท์เธอคงจะคิดว่าสมัยนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนาเป็นคนอื่นอานอนท์ข้อนั้นเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นสมัยนั้นเราเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะปกครองเมืองเหล่านั้นนะ นะนะบอกว่าอานอนบรรดาเมือง 84% ดหมพันเมืองเนี่ยนะนะครที่เราครอบครองในสมัยนั้นก็คือกุสลกุศาวดีราชธานีเพียงเมืองเดียวมจะยอขนาดไหนก็ดูแลอยู่เมืองเดียวอางนั้นะนะนะอานอน์บรรดาปราสาท8ปดหมสี่ันหลังอยู่ปราสาทเดียวคือธรรมะปราสาทเรือนยอด8ปดหมสี่พันหลังก็อยู่หลังเดียวคือหลังใหญ่นะบัลลังแปด 4% มื่ี่พันที่ก็นั่งอยู่ที่เดียวนั่นแหละ ก็เปลี่ยนที่นั่งอะนะแค่นั้นแหละช้างแปดหมืนสี่พันเชือกออก็คี่หยู่เชือกเดียวม้าแปดหมืนสี่พันตัวก็นั่งอยู่เชือกเดียวนะมันมีรถเยอะๆจะไปนั่งทีอะไรนะห้าคันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นรถแปดหมืนสี่พันคันก็นั่งอยู่คันเดียวหญิงแปดหมื่นสี่พันคนอะนะก็มีคนเดียวที่อุปถากต์อยู่นะก็พระนาสุพทานนั่นแหละบรรณาภ้าแปดหมื่นสี่พันกดผก็นุ่งห่มอยู่ทีละคู่ใครจะไปนุ่งทีละห้าคู่ได้ใช่ไหม ก็นุงห่มทีละคู่เท่านั้นแลพระกายาหารแปดหมื่นสี่พันที่ก็สเสวย อ, อยู่สําหรับเดียวอานน์เธอจงดูซีสังขารเหล่านั้นอะล่วงไปดับไปแปรไปหมดแล้วอานน์สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้อานนอานน์สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้แหลอานน์อานน์สังขารทั้งหลายไม่น่า ย, ยินดีอย่างนี้แหลเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะก็เหมือนกับความฝัน อ น, นุนข้อนี้ควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงทีเดียวควรแล้วที่จะคลายกำหนัดในสังขารควรแล้วที่จะหลุดพ้นในสังขารเพราะสังขารเหล่านั้นเนี่ยนะถึงจะเคยดีเคยยิ่งใหญ่อย่างไรก็ช่างเถอะ เหมือนฝันกัว่าไงนะเหมือนฝันก็ไว่าเหมือนคนที่เคยฝันมาแหมฝันว่าขึ้นสวรรค์เตินขึ้นมามันก็ฝันอยู่วันยังค่ำนั่นแหละไปเชื่ออะไรมากมายได้ใช่ไหมฝันมันก็คือฝันวัตถุการมทั้งหลายที่ผ่านมาก็ไม่ต่างอะไรจากความฝันเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายเพราะสังขารทั้งหลายล่วงไปดับไปแปรไปหมดแล้วสังขารไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่ายินดีเพราะฉะนั้นควรที่จะเบื่อหน่ายและคลายกำลังหน่าย สังขารเนี่ยเขาเรียกว่าเอาสิ่งที่ดีเยี่ยมมาสอนวิปัสสนาว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ยั่งยืนเลยเนี่ยนะอย่างตอนนี้กับ world trade เนี่ยนะตึกตัวนั้นก็ถล่มเรียบเลยนะได้ขยะแสนกับตันงหมือนกั น, นได้ขยะแสนกัตันเหมือนขนย้ายขยะกันขยะพร้อมกับกลิน่นศพหวยหวนเหม็นตลบอบอวนไปหมดเหมือนกันนะนี้ก็เหมือนกันอนะสังขารทั้งหลายเหล่าใดเหล่าใดก็เป็นอย่างนี้แหละอานนท์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 อนุนก็แลเราไม่เห็นประเทศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมูสัตว์พร้อมทั้งสัมาามาภา์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ที่ตถาคตจะทิ้งร่างกายเป็นครั้งที่8หมายค่ะว่าทิ้งครั้งนี้เป็นครั้งที่7จ็ดก็จบกันนะเพราะอะไรแต่ว่าอันนี้เฉพาะที่ตรงนั้นนะมันมันสัตว์เนี่ยมันเคยตายทุกแห่งนั่นแหละแต่เฉพาะตรงนั้นอะพระองค์บอกว่า7ครั้งแลนะ้วเหมือนกันครั้งที่7แต่จะไม่มีครั้งที่8 เสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปททะยธรร ม, มิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังบุปสโมสุโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอรู้ความไม่เที่ยงของสังขารด้วยอนิจจานุปัสนาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่อมันเกิดขึ้นด้วยปัจจัยปรุงแต่ง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 ในสมัยนั้นให้พระนนท์เป็นต้นสั่งเพื่ออะไรเพื่ อ, อชนเราเอินได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศนานี้แล้วก็จะพากันบำเพ็ญบุญนะบำเพ็ญกุศลพากันเจริญกุศลทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อสุขสมนัะเป็นไปเพื่อสวรรค์แล้วก็เป็นบุญเป็นวาสนาเพื่อพระนิพพานซึ่งพระองค์ก็ประกาศกรมประกาศผลของกรรมประกาศบุญที่มีผลกรรมที่ เคยทําในอดีตเคยให้ผลแล้วในอดีตกรรมที่เคยทําในอดีตให้ผลในปัจจุบันสําหรับผู้ที่ยังท่องอยู่ในวัตตะกรรมที่มีแล้วในอดีตก็จักให้ผลต่อต่อไปในอนาคตสรุปว่ากรรมอดีตให้ผลแล้วในอดีตกรรมในอดีตให้ผลในปัจจุบันกรรมในอดีตก็จักให้ผลต่อไปในอนาคตกรรมปัจจุบันก็ให้ผลได้ในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันก็จะ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 ในหน้าส1 5้อสิบห้าข้อหนึ่งอยสาสิเจ็ดต่อไปอีกว่าอนนท์คือหลังจากที่พระองค์แสดงมหาสุทัศนะจบบอกว่าอานนท์เธอจงเข้าไปเมืองกุสินาราแล้วบอกแกพวกมาลักรรษัตร์เมืองกุสินาราว่าดูก่อนวาสิทธะทั้งหลายพระตถาคตจักปรินิพานในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้พวกท่านจงรีบออกไปเถิดพวกท่านอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังว่า พระตถ า, าคตได้ปรินิาพานในคามาเกตของพวกเราเราไม่ได้เข้าเฝ้าพระตถ า, าคตในการเป็นครั้งสุดท้ายคือก่อนที่พระองค์จะดับขันปริณิาพานให้ได้เฝ้าพระองค์สักครั้งหนึ่งเถอดนะท่านพระนนทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้า 9, แล้วก็นุ่งถือบาทและจีวรเข้าไปยังเมืองกุสินาราลำพังผู้เดียวสมัยนั้นมละกษัตริย์เมืองกุสินาราประชุมกันอยู่ที่สันถาคานด้วยกรณียกิจ เกี่ยวกับเรื่องปริเนพันของพระพุทธเจ้าในเรื่องอุปถัมภ์บำรุงพระพิสุสงฆ์เนี่ยเพราะเป็นเจ้าภาพใหญ่เนี่ยนะคือมันเยอะมากนะรับแขกโดยเฉพาะพระพิสุเนี่ยมาเป็นหลายแสนเขาบอกว่างานนั้นหัวหน้าหัวหน้าพระเถราผู้ใหญ่ประมาณเจ็ดแสนเนี่ยนะจะต้องเลี้ยงคนโอ้ได้บุญเยอะเลยนะโอกาสแบบนั้นหาได้ที่น้อยนี่ยนะท่านพระนนก็เข้าไปยังสันถาคารของพวก มลรคสัตริย์เมืองกุสินาราบอกแก่พวกมลรคสัตริย์เมืองกุสินาราว่าดูก่อนวาสิทธะทั้งหลายตถาคตจักปรินิพานในปัชิมยามแห่งราตรีในวันนี้แลขอพวกท่านจงรีบออกไปเถิดพวกท่านจะได้มีความร้อนใจในภายหลังว่าพระตะถาคตได้ปรินิพานในคามเขตของพวกเราพวกเราไม่ได้เข้าเฝ้าตถาคตในการเป็นครั้งสุดท้าย พวกมลลกษัตริย์พระโอรสพระสุนิสาคือสภัยประชาบดีคือมเหสีพระยาได้สดับว์คำนี้ของท่านพระนนแล้วก็เป็นทุกข์เสียใจยเปี่ยมไปด้วยความทุกข์ใจเนี่ยนะบางพวกก็สยายพระเกศาพระของแขนทั้งสองคร่ำครวญล้มลงกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนมีพระบาทอันขาดแล้วน้มนอนร้องให้สะอื้นอยู่ตรงนั้นแหละรำพันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า จักปรินิพานเร็วนักพระสุคตจักปรินิพานเร็วนักพระผู้มีพระจักสุในโลกจักอันตรธานเสียเร็วนักครั้งนั้นพวกมรรกษัตริย์พระโอรสพระสุนิสาและประชาบดีเป็นทุกเสียพระไทยเปลี่ยมไปด้วยความทุกข์ใจเสด็จเข้าไปยังสารวันอันเป็นที่เวทพักของพวกมรรกษัตริย์เสด็จเข้าไปหาพระอานนท์พระอานนท์ก็มีพระดํำริว่า ถ้าเราให้พวกมลรคษัตริย์เมืองกุศินาราถวายบังคมทีลองค์ทีละองค์เนี่ยพวกมรรคษัตริย์เมืองกุศินารามไม่ได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทั่วกันแน่ราตรีก็สว่างเสก่อนพระองค์นิพพานก่อนแน่ถ้ามากราบทีลองค์ทีลองค์ท่ากระไรเราควรจัดให้พวกมรรกษัตริย์เมืองกุศินาราถวายบังคมพระพุทธเจ้าโดยลำดับแห่งสกุล เอามาทีละครอบครัวเลยทีละครอบครัวเขาเรียกว่วิญมันมากราบอะไรจัดลําดับเลยครอบครัวเรียงกันมากราบทีละครอบครัวอ น, นะด้วยประการอย่างนี้มาละกษัตริย์มีเอ่ยชื่อมีนามมีโคตรพร้อมทั้งโอรสชายาเข้ามาถวายบังคมใช้วิธีนี้ปรมมายามเท่านั้นแหละไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่นาทีเนี่ยนะก็กราบกันเสร็จแล้วกลับไปหมดได้ถ้ามากราบทีละองค์ทีละองค์แต่ก็ขนาดนั้นนะพวกมเหสีพวกอะไรก็แหมร้องให้ผ้าเปียกจีวรพระพูทเจเจ้าเหมือนกันแหละอ น, นะ ส่วนรายละเอียดที่จะโปรดพระสุภัททนี้ก็คงเป็นวันพฤหัสกันแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็เราก็ได้ฟังมหาปรินิพานเกี่ยวกับเรื่องการปรินิพานของพระพุทธเจ้ามันบุญกุศลเหล่าใดที่บังเกิดขึ้นเพราะจิตใจเลื่อมใสที่มีต่อพระรัตนะตรัยขอกุศลเหล่านี้ช่วยปกปักรักษาให้เราทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและอนาคตต่อตอไปเทิด น, นะวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้